ทานขอบคุณไปทุกวันไปถึงก็ขอบใจทุกวันแล้วก็ดีท่านมากืหมดเทวดาพาในขยายโตไปมากเต็มเพียบก็พรมมาด้วยพอ <c oughs> ขอบคุณเสร็จพระพุทธเจ้าสางประเทศขอย่ออย่าไปพูดเรื่องเทศนะเมื่อกี้นึงเต็มเมื่อกี้นี้เทศจบก็จะลาเทวดาดังฝ้าพรหมบณิพัน์ ท่านบอกว่าทำไมไม่ชวนเดวดานาง้าคผไปด้วยละ่ะต้องชวนเข้าไปสิเขาช่วยเราทุกคนโจเดวดานองภาคผมงานทุกอย่างเขาช่วยทั้งหมดเขาเนหน็ดเหนื่อยมากเราจะปาไปในพานปรญญานี้มีความสุขที่สุดต้องชวนเขาไปเที่ยวด้วยก็เลยชวนเข้าไปชวนไปอย่างนั้นคือว่า เ, อาเริ่มชวนแล้วไม่กี่วันเริ่มต้นเดินสินค้าคมไปต้นมาณนะเมื่อก่อนไม่เคยชวน เมื่อขึ้นไปเครื่องบนแล้วไปนั่งไอ้วิมานหลังใหญ่ที่มีอยู่คิดว่าไม่จะใประโยชน์แต่เขาจริงมีประโยชน์สวดานางฟ้าพรมนั่งกขาเต็มหมด <c oughs> ก็เหลือว่าเขา้างใต้วิมานของฉันก็จะพกเคือจักรวันจริงคือจะพบจิตจะต้องนั่งได้นะคนอื่นเข้าไม่ได้วิมานด้านหน้าพระเจ้าจะนั่งเต็มหลายองค์พอท่านั่งเสร็จ ก็หันกระจขวาเห็นโยมผู้ชายโยมหญิงชาติปัจจุบันโยมชาตินี้นะเคยเห็นตั้งสองวันวันก่อนวันก่อนหน้าวัน้นเมื่อวันก็เห็นแต่ไม่ได้คุยกันวันที่สองก็เห็นอีกก็ถามโยมผู้ชายวโยมที่มารวนนี้มีไรือย่างถ้าบอกฉันมีแล้วอยู่ใกล้ๆวิมานของคุณนี่ถามโยมผู้หญิงว่าโยมมีมมนวันวันนี้ผ่านหรืยอยังบอกอย่างตกใจเลย ความจริงท่านเป็นนักบุญสมัยที่เป็นมนุษย์ทอบสดม น, นทอบบูชาพระเรื่องการบูชาพระนี่ขาดไม่ได้จะไปไหนก็ตามอยู่กลาทุางกระทาก็ต้องบูชาแต่ถึงเวลาถึงเวลาบูชาก็จเหมือนแขกแต่กลับไม่มีวิมานวันนิพานก็เลยพวกก็ยมไปนั่งข้างหน้าที่ท่านก็เริลมไปนั่งข้างหน้า ก็ให้ท่นานหันหน้าไปทำพุทธเจ้าท่นานหันน้าไปพรบเลยอุปถมท่าน ก, กท็ท่านก็เทศท่านสงเคราะห์ท่รรานทราบว่าเราต้องการใช่ไหมท่านบอกว่าเธอเนี่ยมีความเมาในความเป็นทิพย์มากเกินไปเอาดีเวลา อ, อันดับแรกกิ่งก็เมาเหล้าอยู่นะเมาเหล้ามาบางเวลาเธอเมาในความเป็นทิพย์มากเกินไปเพราะอยู่ชั้นยามมาบูชาพระทุกวัน ชอบบูชาพระบูชาพระสวดมนต์ทุกวันแต่ว่าการบูชาพระของเธอไม่เข้าถึงแก่นของพระให้ เ, เข้าถึงแก่นพระต้องนึกถึงพระด้วยว่าพระท่านมีความสุขขนาดไหนทําไมจึงมีความสุขนั่นคือว่าเธอบูชาพระเฉยเฉยเธอไม่เคยเคยคิดเลย ว, ว่าเธอจะต้องในพระจะต้องตายความจริงเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าน่าต้องตา ย, าา ย, าตตายทุกองเือนกันหมด ถ้าตายโน่นบาปที่เธอทำไว้ยังค้างอยู่ยังไม่ไดถึงระหนี่เขาก่อนจะตายนึกถึงบุญเล็กน้อยแล้วมาในสวรรค์ชั้นนี้เพราะจุดติกใจชั้นนี้ถ้าตายจาชั้นนี้ไปโน่นนรกขุมนี้เป็นของเธอชี้ดูนรกนะไฟโชดช่วงสงสัยหน่อ ย, อยู่มากส ว, าสว่างสวยมาก ออกจากคุ้มนี้มาคุ้มนี้ออกจากคุ้มนี้มาคุ้มนี้หลายคุ้มเกือบแปดคุ้มถ้าบอกพอใจไหมท่านไปดูหน้าโยมโยมหน้าซีดหน้าซีดแต่คุณจะดีใจเออไงเดี๋ยวท่านมาด่าวเลยแล้วต่อมาท่านก็ทีว่าที่นี่นิพานเธอทําไมไม่ต้องการนิพาน นาฏนาบัตินี้ไปต้าไปจงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายจากความเปน็นนางฟ้าในเมื่อตายแล้วเราจะไม่ยอมกลับไปอยู่มนุษย์เธอโลกถ้ากลับลงไปเราจะไปเข้ามนุษย์จะลงอบัยวุมก่อนเราจะไม่ลงไปเราตั้งใจมาสุนิพานธ์โดยเฉพาะประการที่สองนาแต่บัตินี้เป็นต้นไป จงมีความเข้าใจในพระพระที่จะมานิพพานได้ตัวหนึ่งต้องตัดขันห้าคําว่าตัดขันห้าก็หมายความว่าไม่ต้องการขันห้าต่อไปอีกคําว่าหน้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใ น, นหน้าที่มีเนื้อนี่นะไม่ต้องการมาอีกเราไม่ต้องการร่างกายของเราไม่ต้องการมีร่างกายต่อไปสิ่งที่เราต้องการคือนิพพานจุดเดียว เอาเพียงแค่นี้แล้วท่านก็หยุดถามว่าเธอพอจะทําได้ไหมโยมท่านก็เนื่งไปด้วยใจเลยได้ขึ้นมาแต่บอกว่าทําได้ค่ะท่าบอกทำได้เพราะบอกว่าทําได้วีมานขึ้นทันทีขึ้น ท, ทัน ท, ที่ใกล้ๆนี่นททอนเองเห็นทันทีท่านก็บอถ้าท่านก็ยิ้มยิ้มจะบอกว่าเอาสําเร็จนะตอนนี้ไปเธอมีบ้านที่มีพานแล้ว จงอย่าหวังอะไรใ น, นมนุษย์ตอบไปอีกอย่าหวังไม่อย่ามีความต้องการความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าตอบไปอีกในเมื่อจุดตีจะนางฟ้าเมื่อไร่ขอไปนิพพานเมื่อนั้นตั้งใจเพียงเท่า น, นี้นะจงคิดว่าความเกิดทุกทจุดจะเกิดเดป็นคนก็ตามเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาก็ตามเปนพระก็ตามมันมีแต่ความทุกข์เราเร่อต้องการเราต้องการนิพพานและก็ทุกๆวัน หาโอกาสมวนั่งเล่นนอนเล่นดีประมาณของเธอถ้าเคยประกาศเซลดานางฟ้าทั้งหมดก็ทุกองค์ก็เหมือนกันนะถ้าเวลามีเวลาว่างพอที่มายของแต่ละคนที่อยู่ที่นิพพานมีแล้วให้ทุกท่านมานั่งเล่นนอนเล่นดีนิพพานให้จิตไม่กอดนิพพานเมื่อจิตก่อนนิพพานแล้วก็จุดไติวใน ม, นมานิพพานเมือนั้นก็เป็นว่าทั้งเกิดมา ตั้งแตโยมตายไปนะเคยพบสองครั้งไม่ได้วแวะยะมาความจริงไปที่เทวตาพานนี่ท่านก็นไปนะแต่มันมองไม่รู้ใครเป็นใครมากกว่นี้มากมันมากกว่านี้เยอะมันไม่รู้นะับเป็นล้านนะมั้งเต็มเพื่อพระขาวแล้วก็สว่างจ้าไปหมดให้รู้ว่าใครเป็นใครคือพระท่านนี่เป็นพ่อเป็นแม่ก็บ เ, เป็นเยอะแยะใช่ไหมแล้วต่อมาอีกสองวันต่อมา ก็ขึ้นไปดีเทสภาไปเหมือนกันทสภานะต่อจากนั้นไปก็ชวนจะชวนเทวดานางฟ้าทหดไปนิพพาน่านสามรมรรคมง์เดี๋ยวก่อนครับผมไมิตรระามว่าอะไรโยมท่านเคยเป็นโยมท่านเคยเป็นพ่อมาหลายชาติท่านเลจุงมือโยมผูหญิงเข้ามาวันนี้เห็นท่านสว่างมากสวก็ดกสวเก่ามากสวมาก เขามักล้าก ล, ากลา้าจะบอกว่านี่เขาฟังเทศมาแค่แค่สองวันของมนุษย์นะเขาตั้งใจปฏิบัติตันพระเจ้าสอนตั้งใจคิดว่าขันห้าทุกอย่างไม่ตรงกรันเทวโลกของมโลกย์ไม่ตงกานต้องการนิพพานจุดเดียวเวลานี้เขาเป็นพระอนาคามีแล้วโอ้ห่าวายวหลืเกินแต่ความจริงเทวดานางฟ้าเช่นยามาเนี่มันเหมือนเมือกับพระอนาคามีเพราะอะไรไห เพราะว่าไม่มีความรักกันเหมือนฉันดาวดึงต่างคนต่างอยู่คล้ายปลมุมแต่คนไหนเคยบูชาพระมากก็ไปนั่งบูชาพระบนน้นอะ่ะ่างเกียบเนี่ยมันตายต้อมไนั่งบูชาพระบนนี้เรื่ทุกข์ใส่หลงมากๆนะลอยฝันมนันนะเดี๋ยวทุกข์จะหมดแล้วก็พอไปอยู่กอนทันยามา ก, ก็เหมือนกับพระ เมือนกับพาะอย่างนี้อยู่คนเดียวทีม่มาราองแต่มีบริบาลเหมือนกันบริบาลก็เป็นนักสวดมนต์ซักเจริญประธานเหมือนกันหมดทั้งคืาจะเป็นพระอนาคามีง่ายในเมื่อเป็นอนาคามีแล้วก็มีหวังที่ปฏิพานธ์ไม่ไม่ลงมาอีกแล้วอาญาจุนหล้งหลายตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านตั้งใจสมาทานสิ่สมาทานมันกรรมฐ า, านนะพรเวลามันหมดเอา เดีวเราต้องเดินทางหมดแลวไอ้นุ่ยเลยเปิดทางมันเลย เจ้ารักษาดูโอทัวน์าดุจิตมัตินังอาตมันติพระราชาสถิตุศรีตาตาโอสมานาวันละวันทูวันละทูวันะทูพระพุทธองค์สมานานั่งทูพระคุณเจ้าราดู โอ้โหบิดาติดาคงาทิังอารตนังย์าน้สัมมานังนังนังนังนังนัังนังนััันังังนัังนังนังันังนังังนังังนนัันังนังนังนันังันัง ปฏิบัติธรรมรักษ o ปฏิทโตุตาริพัชชารูปมารยาสละหิมนตุัตุญาณวิมุตติสันุัมงกัปปุสุปุริมริสักัจจานสุภกขุในรูปะทุปัสสาวะในรูะโครใรังสิ เจตารูปิมหาราชาสัมมาสัจจูิศาสน์พุทธานาสุตปิการิจูปิปิสุรัสสิเดสุนมาเนียปิรักุตปิการิสุวรรณะอริสิอาตุมิปิยะ ตุมาทัยนุชีวะตนะตระอุสุมาทัยคันตนะตาทิฏฐาสุขียังมรรคกนังตถาอุนันตุธรรมะตระกาลูวายมรรคตาธรรมะตระกาลู พยายามปนจระตรงอยกันการพยยามเป็นใจยุทธวิธีวามรักธมะสมบูุทธวัธสบณ Yes, o Tam. The... Oh, อรหัตตุตัมมะตัมปุตตะละมุตตะปุตวัตตุรหัตตุัมมะตัมปุตตะ นังแห่งความอุติยาีทั้งสังราานยังมังามุติยีผู้ทัง I'm e a d y อันมัญญาอินเดชานวัดสุภการังโเมนะะะวโ ตรงนี้ก็คุ้ม่า เราเยนดู้จากสย Thank you. ต่อไปคนใดญาุนหน่อยปฏิบัติตามอัติยาสายิยมนะถ้าทํานใดไม่เคยปฏิบัติมาก่อนคอยใช้คำนาพุทโธไหลใจเข้านึกวุธท่านจออกากพุโธเขาเริ่มได้จ้ะ พระธรนมฐานามานั่งตรงนี้พอญาติโยมเริ่มปฏิบัติฉันก็ปรับอารมณ์ปรับอารมณ์นะบบนิดหน่อยตั้งใจว่าจะไปเทวสภาก็พอดีลุงมาตาม<อ>ตรงพุทธนะถ้ามาตามถามวนเลุงระสำคัญหรือสะบอกสำคัญถ้าไม่สำคัญเดี๋ยวไม่มาเอง ก็เลยไปกับท่านวันนี้ไปที่คณะกรนมการสอบสวนดาวกลุล บ, บีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสี่สิบสองปีปตระกูลชาติยังไงเชื่ออะไรวะเฮ้ยมัชื่อมันเหมือนเองนว่เองอายุสี่สิบสองปีไปนั่งคอยอยู่ที่นั่นถามว่ามีตัวอะไรหรือ พญายมบอกว่ามัน so, น so, oh, <okay. S 1> <gender>. ึกอะไรไม่ได้ท so, oh, <yeah. S 1> ั้งหมดผมถามเรื่องบุญมันนึกอะไรไม่ได้มันนึกได้แต่คุณอย่างเดียวเนอแปลกเหมือนกันบุญทุกอย่างนึกไม่ออกท่านถามบอกนึกได้อย่างเดียวคือฤาษีหนึงหนึ่งลิงดำอราลิงดำหรือเล้วไม่เห็นระไอ้ลิงนี่มีตาคาจริงๆนะเคยถามบอกว่า เองเคยจังหวะสังฆทานใช่ไหมบอกใช่หยันนึกออกนึกออกไหมเคยจังวะสังฆ า, านที่วัดหลายครั้งบอกนึกออกใช่เคยต้องเทศเจําไม่เคยได้นึกออกไว้จำได้ค่ะ <c oughs> เคยใส่บาตรทุกวันจําได้ไหมจําได้ครับมันนึกได้หมด <c oughs> โอ้โหนำนะ <c oughs> ถามว่าเคยเจอกรรมฐานมองไหมลองถามดูบอกเคยเจอกระโนยยุทธิแต่ไม่ได้ ไม่ได้มาฝึกวันเดียวไม่ได้แล้วก็กลับไปอยายามทํเรืวยก็ไม่ได้เ<ด>นื้อเปนลาจะตายจิตไม่เ น, นื้อถึงบุญมันมีทุกเวทนามากมัตยปวดเจ็บในท้องมัน ถ, ถึงบุญไม่ไหวนะก็เลยตายตายไปแลว้วปรยยมถามเรื่องบากรักทั้งหมด <c oughs> <c oughs> จาได้ถามเรื่องบุญ นึกไม่ออกทํานึกไร้่ะนึกต้องได้ทำฤกษียิงลำองเดียวโอ้โอแต่ต้องมา ต, ต, ต, ตามก็ตามไปถามเศรษฐีไยแล้วจนนึกไปหมดเพราว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปไ ป, ไปตามการของเธอไปทำบุญนะกลับแกต้องกลับสามครั้งพอครั้งนี้สามวันลุกขึ้นมาสวยตั่งเลยแต่งตัวขาวจองไปเช่ยาหมาพ่ อ, อสวดมนต์ภาวนาทุกวันเนี่ย แต่ว่ามีประขันติดมือไปด้วยอาว่าถามว่าประคันมีไปทําไมอาพยาจะบบอกปรขกนนออะขันมันมีพิกมากถาาอานิสงส์อะไรยังมีประขันบอถ้าบอกอา น, นิสงส์ที่มันซื้อจอบซื้อเสียมถาวายพระโอ้โห oh, oh, oh, แล้วพระทำาลังเดเออแต่ประขันไงทางไกลประคันไปเออ เออเอาเลยมีจอบไปเสียมีสิวมีเครื่องกบไฟฟ้ามีสวันไฟฟ้าโอ้ท่านนั้นเปวัตต์ต่อกา ร, ดรบดคบ <c oughs> อ่าเอออันนี้จะเป็นในสวนขอระคันเหรอกระคันใช่จะบอกมีพิษตีสงมากนะครับครับพอยา่คนนั้นไปแล้วท่านก็พาเขาไปกลุ่มคนที่คอยการสนสนานะเดินเข้าไปไกลามาก เจอเท่าไปถึงเกือบสุดท้ายไปเจอเด็กอายุสิบปี อ, อ้าผู้หญิงคนเมื่อกี้นี่อยู่จงหวัดพิจิต<อ>ผู้หญิงนะอย<า><า>ู่จังวัดพิจิตรแลไปเจอเด็กคนหนึ่งอายุประมาณเธอบอกวอายุสิบปีไปโรคอวัยวาตายตายมาหลายปีแล้วเนี่ยสองสามปีเนี<อ>ถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนบอกบ้านอยู่อังทองถามว่าทําไมถึงต้อมาที่นี่ล่ะ มันนึกถึงบนไม่ออกครับนึกถึงบนไม่ออกตอนนยังไม่ถึงเวลาสอบสวนท่านบอกว่าถ้าปล่อยถึงเวลาสอบสวนต้องใช้เวลาอีก<ม>ห้าปีในฐานะที่เธอเคยไปที่วัดของคุณทวายงนันน ะ, ะย่ดใยญนะเคยไปเป่ายางกรอบเพชเคยไปบูชาพระท่านบอกเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันยามาพามา ถาว่าเธอน้กไต้ไหมเราเคยบูชาพระเคยนึกนึได้ครับรับยันกราฟินล่ะนึกได้ครับพานาพุทโว่ามองหรือเปล่าว่าหมั่งครับเปล่าว่ามั่งหมาว่า ม, มั่มงก็เป็นว่าในเมื่อเธอต้อถึงบุญอย่างนี้แล้วก็เอานี้แล้วกันเพื่อให้ไปบุญมากขึ้นจงโมทนาบุญของฉันฉันบอมเป็นกุศลมาตั้งแต่ต้นเริ่มต้นไกลลิฟต์ทนะ มเมื่อไรก็ตายมนต้องต้องถึงปัจจุบันฉันจะมีความสุขเพียงใดเพราะบุญนี้เอาเธอจะโกทนารับผลที่เดียวกัฉันตั้งแต่ปั น, นี้ไปต้นไปเทีกราบครั้งที่สามเป็นชช่นยาใหม่อ oh. พอดีจะเริ่มไ้บุญเด็กยายนางฟ้าอขาล้องหันหกลับมาใหม่ บนี <dı> là, ่แกไปมาจอแล้วมาทาไมบอกสินีจะให้บุญเด็กมามั่งประมาณเดียวกันเออแกแน่ไว่กันแกเอาอีกลยสุรเก่าอ๋อ